อนุโลมโอกาสจะขุนตริยมูลกนัย37มอนุโลมปุจฉาจะขุนสีในภูมิใดกําลังเกิดโสตินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมละอนุโลมปุกคโลกาตจะขุนตริยมูลกนัย376อนุโลมปุจฉาจะขุนตรีคำบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด โสตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โสตินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคูเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและโสตินทรียก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาโสตินรีย คนบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจะคุณสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการับภูมิบุคคลผู้มีจะคูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกา ม, มาวชจรภูมิโสตินรีคนบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จะขุณสี่ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจะคูเกิดได้กำลังอุบัติ สสตินรีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากคุณรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากคุณสีก็บุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานินทรียก็บุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพี่ตัชนาปัจชิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอบัติในการมาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิจากขุณรีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจักรกูเกิดได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมจิจักขุนสีเขาบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคารินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคารินทรีย์ขาบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจกักขุนสีเขาบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีจักรกูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ คาณินรีก็บุงคนเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติในกามวาวจรภูมิคาณินทรีเขอาบุงคนเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนศีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขกาุนศีเขาบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทินรีเขาบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพี่ตัดชนาะ ปัดชิมภาวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติจากขุนศีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิทธิฉินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรครูเกิดได้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิ จากขุนศีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอิทธิศีก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาอิทธิรีกบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิอิทธิรีกบุคคลล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังอุบัดในกามาวจรภูมิอิทธิ์สินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดได้จักขุุณสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักรคุณสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัดในกามาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิ บุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาะวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังอุบัติแต่ปริสินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคู่เกิดได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปุริสินศีก็จะเกิดปฏิโมดมปุชชา ปริสิสีกบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิปริสิสีกบุคคลเนั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ ปุริสินรีขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจาก 4, ขุนรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีขบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินรีขบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปฏจิมภาวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจาก 4, ขุกนศีขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ชีวิตินรียไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังอุบัติจะขุนสีองบุคคลเหล่านั้นในภุม่มนั้นกำลังเกิดและชีวิตินทรีสีก็จะเกิดปฏิโดปุจฉาชีวิตินทร์ของบุคคลใดในภุ่มใดจะเกิดจะขุนสีองบุคคลนั้นในภุม่มนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กาลังอุบัติ ชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจะครูเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนศีก็กําลังเกิดอนุโลบปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมณัตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะ ปัดชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีจักรูเกิดได้มีอุเบกขาจักรูอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจกักขุนสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โสมณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติ จากขุนศรีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและโสมนัสสินศรีก็จะเกิดปฏิโมดมปุชชาโสมนัสสินศรีกับบุคคลใดในภูมินในมดจะเกิดจากขุนศรีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวกา ร, รภูมิบุคคลผู้มีจ้าขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกา ม, มาวจรภูมิโสมนัสสินศรีกับุคคลเหล่า น, น, นั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่จกักขุนศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขูเกิดได้กําลังอุบัติโสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจกักขุนศีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดชิมภวิการบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการะภูมิและบุคคลเราใด ผู้มีจักขู่เกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัตจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจักขุนศีข้ามบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขูเกิดได้กําลังอุบัติจักขุนศีข้ามบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเปกินรีก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินศีข้ามบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด จากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนะบุคคลผู้กำลังอยู่ตีจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจากขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิและอรูปภูมิอุปเปกขินสรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจากขูเกิดได้กาลังอุบัต อุเปกินสีขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนศีกก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีกขบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดตัดทินรีกขบุคคลนั้นในภูมินั้น ก, ก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจากขุนศีกขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ตัดทินรีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคูเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตทินรีก็จะเกิดปฏิโดมผุจฉาสัตตินทรียกับบุคคลใดในภูมิดาจะเกิดจากขุนศีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและอรูปประภูมิ สัตวทินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากครูเกิดได้กําลังอุบัติสัตว์ทินรีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดได้จากขุนรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญรีและมณีสีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ปชิมภาวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจากขุนศีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนินทรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชามนินทรีกบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีเจขูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่แนวรูปภูมิมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีเจขูเกิดได้กําลังอุบัติมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนสีก็กําลังเกิด จะคุณตริยะมูลกนัยจบคานินตริยมูลกนัย377อนุโลมปุชชาคานินสีกบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิถินสีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมพวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบ โดยภาะวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติคานินทรียขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อิจฉินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรียขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอิจฉินทรียก็จะเกิดปฏิโรมปุชฌาอิจฉินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด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 และคาเนินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดบุริสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติ คาณินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคาณินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปุริสินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากมามระจรภูมิ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิปุริสินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนา ปัดชิมพรวิกรบ like ุคคลผู like like ้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและชีวิตินทรียก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด คานินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบ huh ุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัตชีวิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัตชีวิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินรีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา คานินทสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาะปัดชิมภวิกับุคคลผู้กําลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีกานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติคานินทสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินรีก็จะเกิดปฏิโมดมปุชชาโสมนัสสินรีของบุคคลใดในภูมิดจะเกิดคานินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กำลังจุติจากามาวจรภูมิ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิโสมนัสติ <im it crazy> สนรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด <im it crazy> บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชา ขานินทรียีขงบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินทรียีขงบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะปัดฉิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเราใดผู้มีขานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติขานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินทร์สีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเปกขินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกขินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิศัดชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในร ati, uh ูปาวจรภูม uh ิอ huh. รูปาวจรภูม okay. ิอ <Thing ettes> ุเปกินสีขาบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกินสีขุบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินสีขุมบุคคลใดในภูมิดกําลังเกิด สัตทินรียขบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัดชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในการมาวจรภูมิคานินทรีย์ขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคาณินทรีย์ขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดได้สัตทินรียก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉา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 บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินรียขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ขบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญญินรียและมะนินทรียขบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิเศชนาะปัดฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ คาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมนินรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชามนินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคาณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลผู้กําลังจุตริจากกามาวจรภูมิ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบ um, ัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิมนินรีขกงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กานินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมนินรีขกงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและการินรีก็กำลังเกิดคานินตริยมูลกไนจบ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 อิทิสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปริสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธิสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปริสินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิทธิสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กําลังจุตีจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุทธา อิตินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั idal, on ้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้มีอิทติเกิดได้กําลังอุบัติอิติินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทติเกิดได้กําลังอุบัติอิติินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและชีวิตินรียก็จะเกิด ปฏิโรมปุจฉาชีวิตินทรียิของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิทธินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังจุดติจากกา ม, มาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกา ม, มาวจรภูมิได้บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรู ป, ปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่อิทธิีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธิ์สิ่งก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธิ์รียงของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมนัตสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจชรณาปัดฉิมภวิกบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติ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 โสมาณติณรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิทถินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังจุตีจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิโสมาณติณรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ติณสีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นจะเกิดและอิทธิสินสก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธิสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเปกสินสีของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาปชิมภวิกบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเใดมีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเปกินสก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา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 อนุโลมปุจฉาอิทธินีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตทินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัตทินีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตทินีก็จะเกิด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 แต่อิทินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติสัตถินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินรีของบุคคลใดในภูมินใดกําลังเกิดปัญญินรีและมณินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจตชนาะปัจฉิมภวยกบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติ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 บุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิแต่บุคคลผู us, ้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทินรียีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินินรียก็กําลังเกิดอิทธินรียมูลกนัยจบ ปุริสินธริยะมูลกันัยสามอนุโลมปุจฉาปุริสินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะปัดปชิมภวิกาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติปุริสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและชีวิตินทร์สีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตินร์สีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาะบุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ แต่บุคคลผู้อบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสมนัตสินทรีย yani ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาปัดชิมภวิกาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาเกิดแล้วจากปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สมัสสินรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติ ปุริสินสีของบุคคลลนั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและโสมนัสสินสีก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมินใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลผูก้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีปุริจะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัต <Voiceover> ิอยู่ในรูปปาวจรภูมิ โสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็จะเกิดและปุริสินสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิัรนา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 ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเปกขินรีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกขินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริจะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตทินรียและปัญญินรียและมานินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม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 มนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินศีก็กำลังเกิดปุริสินทรีมูลกนัยจบชีวิตินตรียมูลกนัย3ามอยแอนุโลมปุชฌาชีวิตินทรียร์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขศนาแห่งปัตชิมจิตปัตชิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยเบขา จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิชีวิตินทรีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โสมนัสินทรียีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจตัวโอการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด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 บุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจวโวการภูมิในอุปาทัศนาแห่งจิตในภาวัติการโสมนัสินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินทร์สีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจตันาในอุปาทขศนาแห่งปัจจิมจิต ปชิมจิต ท, ที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทขณาแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กำลังอุบัติในอาศัญยสัตตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเปกินทร์สีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขณาแห่งจิตในประวัติการ ชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเปกินทร์สีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังค์ฆขณะแห่งจิตในประวัติการอุเปกินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทัศนาแห่งจิตในภาวัติการอุเปกินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตินทรียีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตตินทร์สีละปัญญินทร์สีละมนินทรียี ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้กําลังอุบัติในอาสัญญัตสัตต ภ, ภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขศนาแห่งจิตในภาวัติการ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดติโดมปุชชามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจตัญญาบุคคลผู้กำลังจุตีจากจตุโวการับภูมิและปัญจโวการับภูมิในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุวโวการภูมิและปัญจวโวการภูมิในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตินทรีก็กำลังเกิดชีวิตินทรียมูลกายนจบโสมนัสถินทรียมูลกานาอย381ออนุโลมปุจฉา โสมณัตินทร์สีขบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินร์สีขบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมณัตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมณัตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นโสมณัตินทรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินรสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ มีจิตเป็นโสมนัตกาลังอุบัติในอุปา ท, าทขคณะแห่งจิตที่สัมปยุตยได้วยโสมนัตในประวัติการโสมนัสถินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเปกินสีก็จะเกิดปฏิโดมปุจชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนัสถินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคัคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขคณะแห่งจิตที่วิปยุตยจากโสมนัต อุเปกินสีข้าบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมณสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทกนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้โสมนัสในประวัติการอุเปกินสีข้าบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมณสินสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาโสมณตินสีข้บุคคลใดในูมิใดกำลังเกิด สัตทินรีละปัญญินสีละมันินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขศนาแห่งปฏิมจิตที่สามปยุทธ์ได้โสมนัสโสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มันินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นโสมนัสกําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สามปยุทธ์ได้โสมนัสในประวัติการ โ ส, ส, ส, สมนัตสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมนินทรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชามนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสมนัตสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมณัตมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่โสมนัตสินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัตกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สามประยุตได้โสมนัตในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและโสมนัสสินรีก็กำลังเกิดโสมนัตสินทริยมูลกนัยจบอุเปกินทริยมูลกนัย382อนุโลมปุชชาอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมนใดกำลังเกิด สัตทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิตัชณาในใอุปาทัคณะแห่งปัจจิมจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอุเบขาอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทัคณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอุเบขาในประวัติการอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดได้ ส, สัตทินรีก็จะเกิด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 ในอุปาทัศนาแห่งจิต ท, ที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาในประวัติการสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินรีก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดปัญญินรีและมณินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิต ท, ที่สัมปยุต ด, ด้วยอุเบกขา อุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบขาในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมนินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุจชามนินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิประยุทธจากอุเบขามนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคลลนนบคลมีจิตเป็นเวขากําลังบัตดในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยเวขาในประวัติการมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และอุเปกินตีก็กําลังเกิดอุเปกินตริยมูลกานิจจบสัตินตริยมูลกานัย3ปดสอนุโรมปุชชาสัตินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในอุปาทคณาแห่งปัจฉิม จ, จิสตสตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด ปัญญินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นสเหตุกะกําลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่สัมปยุตได้ศรัทธาในประวัติการสัตทินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญินทรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาปัญญินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะในพังคคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขศนาแห่งจิต ท, ที่วิปยุตจากศรัทธาปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นสาเหตุตุกะกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิต ท, ที่สัมปยุตได้ศรัทธาในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสัตทินรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา สัตทินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารณาในอุปาทขคณะแห่งปัจฉิมจิตสัตทินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นสาเหตุตุกะกําลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้ศรัทธาในประวัติการสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมนินทรียก็จะเกิด ปฏิโรมปุต ช, ชามนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดตัดทินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธามนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ตัดทินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุทุกข์กำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้ศรัทธาในประวัติการ มนินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสัตทินรียก็กำลังเกิดสัตทินตรียะมูลกนัยจบปันยินตรียะมูลกนัยแปดอนุโลมปุชชาปัญินรียของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดมนินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจตันาในอุปาทคณาแห่งปฏิมัจจิต ปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นญาณนะสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้ยาในประวัติการปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมณินทรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชฌามณินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปัญญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาในพังค์ทัแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิต ท, ที่วิปยุตจากญาณมนิมนทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปัญญีนียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตกําลังบัตดในอุปาทัศนาแห่งจิต ท, ที่สัมปยุตได้ญาณในประวัติการมณี น, นีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปัญญีนียก็กําลังเกิด ปัญญทรียามูลกายนจบ